การศึกษาในปีแรกที่เข้ามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารจะาประคุณสมเด็จก็ส่งสอบได้นักธรรมชั้นตรีพุทธศักราช2473ส่งสอบได้นักธรรมชั้นโทและป ร, ะริญญธรรมสาประโยคพระองค์ทรงบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อส่งสอบป ร, ริญญธรรม3าประโยคได้ว่า ไม่มีปีใดที่ให้ความสุขกายสุขใจมากเท่ากับคราวที่สอบป ร, รียนธรรม3มได้พุทธศักราช2474ทรงตั้งใจเรียนประโยคสีด้วยความมุ่งหวังอย่างสูงพร้อมทั้งทรงตรเตรียมประโยคเก่งหรือว่าเก่งข้อสอบที่คาดว่าน่าจะออกไว้ด้วยความมั่นใจเมื่อถึงคราวสอบกลับปรากฏว่าข้อสอบไม่ได้ออกประโยคเก่ง หรือประโยคยากๆที่ทรงเตรียมไว้แต่กลับออกประโยคง่ายๆที่ไม่ได้สนใจเตรียมแต่ก็ทรงรู้สึกว่าข้อสอบง่ายมากทาไปด้วยความมั่นพระไทยแต่ผลสอบปรากฏว่าพระองค์สอบตกประโยคสี่ได้ทรงบันทึกถึงความรู้สึกเมื่อทรงสอบตกคราวนั้นไว้ว่าทรงรู้สึกเสียใจและท้อแท้ใจมากถึงกับทรงคิดว่า พระองค์คงจะหมดวาสนาในทางพระศาสนาเสียแล้วเพราะมานะพยายามและตั้งใจขนาดนี้ยังสอบตกแต่หลังจากทรงคิดทบทวนและไตร่ตรองดูว่าทําไมพระองค์จึงสอบตกก็ทรงได้พบความจริงด้วยพระองค์เองว่าการสอบตกนั้นเป็นผลของความประมาทโดยแท้กล่าวคือประการแรกทรงพบว่าพระองค์ทรงหญิงธนงในความรู้ของตนเองมากเกินไป จนทำให้เห็นไปว่าทำอย่างไรก็สอบได้แน่เมื่อถึงเวลาสอบจึงทำข้อสอบด้วยความละหลวมไม่พิจารณาให้รอบครอบด้วยสำคัญผิดว่าตนรู้ดีแล้วจึงทำข้อสอบผิดพลาดมากถึงกับได้คะแนนศูนย์หมายเหตุผู้อ่านศูนย์ในที่นี้สอเสือสระูยอหญิงนะครับประการที่สอง ทรงพบว่าพระองค์ทรงอยู่ในความประมาทที่ไม่ดูตำรับตำราให้ทั่วถึงมุ่งดูแต่เฉพาะที่เห็นว่ายากและคาดคะเนหรือเก่งว่าจะออกเป็นข้อสอบเท่านั้นเมื่อข้อสอบออกไม่ตรงตามที่เก่งไว้จึงทำข้อสอบผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวว่าทำผิดประการที่สทำให้ทรงเห็นว่าการเรียนแบบสนใจเรียนหรือสนใจดูเฉพาะที่เก่งว่าจะออกสอบเท่านั้น ไม่ใช่วิธีการเรียนที่ถูกต้องเพราะไม่ทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์สอบตก <S <S พุทธศักราชสอง่ทรงเรียนซ้ำประโยคสีอีกครั้งและทรงเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอกด้วยและในปีนี้ทรงเลิกวิธีการเรียนแบบเก่งข้อสอบ แต่ทรงเรียนแบบสม่ำเสมอและทั่วถึงผลการสอบปรากฏว่าสอบได้ทั้งนักธรรมชั้นเอกและปริียนธรรม4ประโยคกล่าวได้ว่าชีวิตในปฐมวัยของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นดำเนินไปด้วยความราบรื่นประสบความสำเร็จโดยมีปัจจัยแวดล้อมเป็นตัวเสริมที่สำคัญคือผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่ดีที่คอยให้คาแนะนาและชักนาไปในทางที่ดี ประกอบกับในส่วนพระองค์เองก็ทรงมีพื้นอัธยาศัยที่ดีคือมีพระอัธยาศัยโน้มเอียงไปในทางพระศาสนาเป็นทุนอยู่แล้วการชี่นาของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงช่วยส่งให้พระองค์ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามพื้นเพ ข, ของพระอัธยาศัยเป็นเหตุให้พระองค์ประสบความสําเร็จในชีวิตวัยเด็ก สรุปได้ว่าชีวิตในปฐมวัยของเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะที่ทรงดําเนินชีวิตในเพศพระมจรรย์นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีปัจจัยสําคัญที่ทําให้พระองค์ประสบความสําเร็จในวัยนี้มีทั้งปัจจัยภายนอกคือบุคคลแวดล้อมและปัจจัยภายในคือพระอัธยาศัยและคุณสมบัติส่วนพระองค์เองประกอบกัน พุทธศักราช2476เจก้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระชนมายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรงกลับไปอุปสมบทณวัดเทวสังคารามกาญจนบุรีสำนักเดิมของพระองค์เมื่อครั้งทรงบรรพชาเป็นสัมมเนนทั้งนี้ก็เพื่ออยู่ช่วยสอนพระปริยัติธรรมสนองพระคุณของหลวงพ่อตามคำที่หลวงพ่อเคยพูดไว้เมื่อก่อนที่จะนำพระองค์มาฝากให้อยู่เรียนภาษาบาลี ที่วัดเสนหาเป็นครั้งแรกว่าเพื่อจะได้กลับมาสอนที่วัดเทวะสังคารามแล้วจะสร้างโรงเรียนเตรียมไว้ให้และก็ปรากฏว่าหลวงพ่อได้ทําอย่างที่ท่านพูดไว้จริงๆคือท่านได้สร้างโรงเรียนพระปริยติธรรมขึ้นหลังหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนเทวานุ ก, กูลเป็นตึกคอนกรีตสองชั้นเตรียมไว้ตั้งแต่พุทธศักราชสองพ าพระคุณสมเด็จได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดเทวสังคารามเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2476โดยพระครูอดุลยสมณาิจหลวงพ่อวัดเหนือเป็นพระอุปัชฌาพระครูนิวิศมาจาร์หลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระกรรมวาจาจาร์พระปลัดรุ่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อส่งอุปสมบทแล้วได้อยู่จําพรรษาณวัดเทวสังคารามนั้นเพื่อช่วยหลวงพ่อสอนพระปริยติธรรมตามความมุ่งหมายของท่านหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จได้กลับมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารตามเดิมและได้ทรงธ ร, รมยติกรรมคืออุปสมบทซ้าในธรรมยุทธ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476ศกเดียวกันสมัยนั้นขึ้นพุทธศักราชใหม่เดือนเมษายนฉะนั้นเดือนมิถุนายนจึงเป็นต้นปีเดือนกุมภาพันธ์เป็นปลายปีโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์คณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรยาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปชัชฌาย์ พระรัตนทัชมุนีในวงเล็บจูอิสระยาโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ทั้งนี้เพื่อทรงศึกษาพระปริยัตต์ต่อไปและในปีพุทธศักราช2476นี้ทรงสอบได้ป ร, รียนธรรมห้าประโยคแม้จะกลับมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จ ก, ก็ยังทรงเวียนไปมาช่วยสอนพระปริยติธรรมที่วัดเทวสังคารามกาญจนบุรีสนองพระคุณหลวงพ่อต่อเนื่องกันมาอีกสองปีส่วนการศึกษาพระปริยติธรรมของพระองค์ก็เจริญก้าวหน้าไปตามลำดับกล่าวคือพุทธศักราช2477ทรงสอบได้รเรียนธรรม6ประโยคพุทธศักราช2478ทรงสอบได้รเรียนธรรม็ดประโยค พุทธศักราช2481ส่งสอบได้ป ร, ริญญธรรม8ประโยคพุทธศักราช2484ส่งสอบได้ป ร, ริญญธรรม9ประโยคเจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้โดยเฉพาะในด้านภาษาเมื่อพุทธศักราช2475 ได้มีนักบวชฮินดูท่านหนึ่งเข้ามาศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับอินเดียนักบวชท่านนี้คือสวามีสัตยา น, นันทปุรีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาและปรัชญาของอินเดียรวมทั้งเชี่ยวชาญทางภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษด้วยท่านสวามีได้ตั้งธรรมาสมขึ้นณนะตึกหอสมุดมหามงกุฏราชวิทยาลายัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระสุมเมนหน้าวัดบวรนิเวศวิหารมีการออกนิตยสารชื่อเสียงตะวันออกซึ่งมีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยมีการจัดสนทนาธรรมะทุกวันอาทิตย์รวมทั้งมีการสอนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษแก่ภิกษุสัมมาเนรและผู้สนใจด้วยกล่าวได้ว่าสำนักธรรมมาสมของสวามีสัตยานันทภุรีดังกล่าว ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการสังสรรค์เซวนาของหมู่นักปราดราชบัณฑิตของไทยในครั้งนั้นท่านสวามีได้พำนักอยู่ในประเทศไทยราวสิบปีกระทั่งเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2485เนื่องจากเครื่องบินตกขณะมีอายุได้เพียง40ปีอาจกล่าวได้ว่าสวามีสัตยานันทบุรี ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาปรัชญาและศาสนาขึ้นในหมู่ผู้รู้ของไทยพร้อมทั้งได้ประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนาตะวันออกเป็นภาษาไทยไว้หลายเล่มในระหว่างพุทธศักราช2477ถึง78นั่นเองเจ้าพระกุลสมเด็จซึ่งทรงเป็นพระป ร, ะรียน 6-7 ประโยคพร้อมทั้งพระป ร, ะริยนหนุ่มอื่นๆ อ, อีกหลายรูป ได้เรียนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษกับสวามีสัตยานันทปุรีแต่การเรียนของเจ้าประคุณสมเด็จไม่ค่อยสะดวกนักเพราะทรงมีภาระต้องเป็นครูสอนนักธรรมบ้างสอนบาลีบ้างในสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารจึงทรงเรียนได้เฉพาะวันที่มีเวลาว่างเท่านั้นทรงเรียนอยู่ราวสองปีก็ต้องเลิกไปเพราะทรงมีภารกิจ ด, ด้านต่างๆมากขึ้น แต่การเรียนกับสวามีสัตยาลันท่ปุรีได้เป็นพื้นฐานให้พระองค์ทรงศึกษาด้วยพระองค์ต่อไปวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฟังวิทยุภาคภาษาอังกฤษของบ b c และอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นหากมีข้อความใดสาคัญหรือทรงประทับใจ ก็จะส่งจดจำไว้สำหรับเป็นแบบอย่างหรือนำไปใช้ในเวลาต้องการด้วยวิธีการสร่งศึกษาด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องนี้เองทำให้พระองค์สามารถใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดการอ่านและการเขียนความรู้ภาษาอังกฤษนับว่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในเวลาต่อมาเป็นอย่างมาก ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จยังสนพระไทยศึกษาภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสโดยทรงศึกษากับครูไทยที่ทรงรู้จักมักคุ้นกันโดยครูได้มาสอนที่กุฏิในเวลาค่ำบ้างกลางคืนบ้างวันละชั่วโมงสองชั่วโมงสุดแต่จะสะดวกทรงเรียนต่อเนื่องมานานพอควรจนทรงสามารถอ่านเขียนได้พอสมควรแต่ในที่สุดก็เลิกลาไปเพราะเวลาไม่อำนวย ทั้งฝ่ายผู้สอนและฝ่ายผู้เรียนและในระยะใกล้กันนี้มีผู้รู้ภาษาจีนมาอุปสมบทเป็นพระนวกะหรือพระใหม่อยู่ในความปกครองของพระองค์เจ้าประคุณสมเด็จก็ส่งถือโอกาสเรียนภาษาจีนกับท่านผู้นั้นด้วยแม้พระนวกกะนั้นลาสิกขาไปแล้วก็ยังมาสอนภาษาจีนถวายแต่ครูภาษาจีนได้ถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาไม่นาน การเรียนภาษาจีนจึงเป็นอันยุติเมื่อทรงเล่าถึงการเรียนภาษาจีนของพระองค์ก็ทรงเล่าอย่างขบขันว่าเรียนจนครูตายเลยต้องเลิกนอกจากความสนพระไทยในการเรียนภาษาต่างๆแล้วเจ้าพระกุลสมเด็จยังใฝ่พระไทยในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอวิธีการแสวงหาความรู้ของพระองค์ก็คือการอ่านหนังสือ ทรงอ่านทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษและไม่ได้ทรงจํากัดการอ่านเฉพาะหนังสือทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่รวมทั้งหนังสือที่เป็นความรู้ทั่ ว, วไปไปด้วยชีวิตในมัชชิมะัยของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเรียนและการสแสวงหาความรู้